อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่4ีธันวาคมนะคะเป็นวันขึ้น9ก้าข้าเดือนหนึ่งปีมะโรงค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นวันที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทราบดีว่าในเช้าวันพรุ่งนี้ที่5้ธันวาคมนั้นเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ 84พระชนสชาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้เป็นมิ่งขวัญดวงใจศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินะคะ <S 2> <S 2> ดังนั้นรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันนี้ก็อยากจะข อ, อนำท่านผู้ฟังทางบ้านได้มาสากักษาหรือสนทนาธรรมะดีๆที่จ ะ, ะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบในธรรมะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทราบดีนะคะว่า ท่านนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของพระศุกริกรชาวไทยและพระองค์ท่านเองนั้นเนี่ยแม้ว่าจะได้ทรงตรากตรำทำงานหนักเพียงไรและเราก็ทราบกันดีว่าขนาดนี้แม้จะทรงประชวรและต้องอเสด็จประทับอยู่นะโรงพยาบาลศิริราชถึงเป็นเวลาร่วมสองปีแล้วก็ตามแต่ในยามที่ประเทศชาติหรือว่า พี่น้องประชาชนเกิดทุเข็นอย่างเช่นที่เรากําลังประจนอยู่ก่อนหน้านี้อย่างรุนแรงก็เป็นเรื่องของอุทกภัยนั้นพระองค์ท่านก็ยังมีน้ําพระทัยเมตตาที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็พระพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะก็ยังที่จะคิดเห็นแล้วก็อยากจะคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในสิ่งที่ โปร่งธรรได้อย่างดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ดิ้นคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะซึ่งในทุกๆวันที่5ธันวาคมนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะดังนั้นในเช้าวันนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูรลอภิพุนโน แห่งวัดบ่าดอนหายสูกตำบลดอนหายสูกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์ของเรานะคะก็จะได้มาสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันถึงบทบาทของสิ่งที่พระองค์ท่านคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงมีน้ําพระทัยเมตตาป ร, ประพฤติปฏิบัติพระองคอ์ด้วยความเมตตาแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งพ่อของแผ่นดินแล้วก็เป็น กระสัตที่ปกครองโดยธรรมหรือว่าด้วยทศพิตรราชธรรมอันสูงส่งเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกในขณะนี้นอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองศิลปราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกแล้วพระองค์ท่านก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงงานหนักที่สุดของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกนี้เพื่อความสุขของ ประสบนิกา์ของพระองค์ท่านนะคะก็นําท่านผู้ฟังมากราบพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุนโนพร้อมกันเลยค่ะกราบนำส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพาสาธุเจ้าค่ะยมเกลืน่นเกี่ยวกับเรื่องทั้งความเป็นกษัตริย์และก็ความเป็นวันพ่อที่คนไทยเราเระลึกนึกถึงนี้อยากขอความเมตตาพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุโนเจ้าค่ะได้สากัะชาหรือสนทนาธรรมะในประเด็นนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับ อ, องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นพระมาหากษัตริย์และเป็นพ่อของพระองค์ท่านเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะเอาที่รนะับประเด็นก่อนเอาเรื่องของวันพ่อก่อนเกี่ยวกับพ่อก่อ น, ว, นว่ามารดาบิดาแพนะพุทธเจ้าปกติแล้วเขาจะพูดรวมกันถึงความเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่ตอลูกนะในเรื่องของทิศ ท, ทั้งหกนะซึ่งพพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่า ด้วยการห้ามเสียจากบาปด้วยการให้ตั้งอยู่ในความดีนะเรามาดู2ประเด็นนี้ก่อนห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีนะคุณสมบัติของพ่อเนี่ยต้องมอีอย่างในกรณีนี้ก็คือว่าอ่าห้ามลูกๆทั้งหลายเนี่ยจากการประพฤติไม่ดีเช่นลูกจะไปเสพยาเสพติดลูกจะทะเลาะกันนะก็ออกมาห้ามออกมาพูดคุยนะว่าอ่าอย่าทะเลาะกันนะอย่างนะอย่าตีกันนะในหลายๆครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทําตรงนี้เป็นกันเนาะจบค่ะ ประการที่2คือให้ตั้งอยู่ในความดีนะเช่นเวลาลูกจะทําไม่ดนะีเราก็ห้ามละอันนี้คือห้ามเสียชังบาปให้ตั้งอยู่ในความดีคือเราสนับสนุนให้เขาทําดีนะเช่นรู้จักให้ทานรู้จักมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักความอ่อนน้อมถมตนรู้จักการธรรมหากินพวกนี้เป็นหน้าที่ของพ่อนะซึ่งในหลว ง, งเราก็ทำะนะเช่นว่าไปแก้ปัญหาภไยแล้งเป็นต้นแนะนะนําให้รู้จักตั้งอยู่ในศีลธรรมแนะนําให้รู้จักการธรรมหากิน มีการคิดค้นรูปแบบการธรรมากินต่างๆซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้ที่สองซึ่งพระองค์ก็ทําแล้วก็ที่3ก็คือให้ศึกษาศิลปะวิทยาคือเปิดโอกาสให้คนได้เล่าเรียนอรรมาก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนต่างประเทศบ้างไปเรียนในระดับอุดมศึกษาอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นไปซึ่งอันนี้พระองค์ก็ทํำอันถัดไปหน้าที่ของบรรดาบิดาก็คือว่าให้คู่ให้มีคู่ครองที่สมควร ให้มีคู่ครองที่สมควรสมควรในกรณีนี้หมายถึงว่ามีศีลมีศรัทธามีจาระฆามีปัญญาบุคคลไหนที่มีศีลมีศรัทธามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเนี่ยก็เป็นคนที่สมควรในการที่จะเป็นคู่ครองกันซึ่งเรื่องนี้ในหลวงเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเออเธอ5มีคู่นะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําส่ไหมก็คือเปิดเต็มที่แล้วก็ยังแนะนําให้ทุกคนมีศีลมีศรัทธามีจาระฆามีปัญญาด้วย ก็คือมีกู้ครองที่สมควรได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของบิดาอีกอย่างหนึ่งก็คือมอบมรดกให้ตามเวลานะมอบมรดกให้ตามเวลาก็มีการที่เราเห็นอยู่เป็นประจำในหลวงก็พระราชทานเงินมูลนิธินั้นมูลนิธินี้หรือว่ามีการมอบถุงยังชีพกับบุคคลที่ได้รับอุทกภัยหรือประสบภัยต่างๆอันนี้ก็เป็นมรดกที่เหลือไปให้แล้วก็มีมรดกของชาติอีกหลายอย่าง เช่นวรรณกรรมจักรสีลปัตะกรรมดนตรีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดอุดเพลงพระชนิดพน์ด้วยแล้วก็โครงการตามพระราชดําริต่างๆที่สองพันกว่าโครงการนะเจ้าคะที่เปรียบเสมือนมรดกที่พระองค์ท่านทรงมีไว้หรือว่าทําให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะเจ้าคะทีนี้ประเด็นที่อาตมาต้องการจะพูดก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของในหลวงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทีนี้ตัวเราอะตัวเรา นนในฐานะเป็นพ่อสมมุติตัวเราเป็นพ่อใช่ไหมหรือเราเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยจะต้องทําหน้าที่นี้เราก็ต้องมาดูนะว่าเราทำไหมถ้าในหลวงทําเรากควรจะทํานำในเรื่องนี้คือเราพูดถึงความเป็นพ่อเฉยเฉนะคือเราไม่ได้ต้องพูดถึงในระดับที่ระดับชาติหรืออะไรอย่างนี้เราแค่ครอบครัวเราเองแลเราดูแลลูกเราดีไหมห้ามเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีไหม ลูกเวลาวันพ่อเนี่ยลูกก็จะมาขอมาพ่อบ้างมากราบับพ่อบ้างอะไรยงี้ใช่ไหมถามว่าคุณทําหน้าที่ของพ่อไหมให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้มีคู้ครองที่เหมาะสมมอบบารดกให้ตามเวลาก็ถ้าเราทําอย่างนี้นก็ชื่อว่าเราทําหน้าที่ของพ่ออย่างดีละทีนี้พูดถึงลูกสักหน่อยหนึ่งว่าลูกเนี่ยเพื่อมาดาบิดาทําหน้าที่กับเราอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้อง ประพฤติปฏิบัติตอบเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีความคิดว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงท่านตอบนะก็คือเป็นคนที่เลี้ยงท่านตอบอะ่ะมีอะไรก็ทําหากินอย่างขยันกันแข็งใช่ไหมเราก็เอาเงินที่ได้เอากําไรที่ได้เนี่ยก็ส่งเสริมเลี้ยงดูซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นการดีอันนี้เราก็เห็นว่าหลายๆลายคนข้าราชดีหลายๆคนเขาก็มีการบริจาคตุนทรัพย์ให้ในหลวงใช่ไหมอย่างเช่นว่าในโครงการอะไรต่างต่างก็มีการบริจาคทรัพย์กัน เจ้าค่ะเรียกว่าทุนก้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรายาศัยนะเจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแหละเจ้าค่ะนั่นก็คือการที่พวกเราได้เหมือนกับได้ช่วยส่งเสริมงานที่ท่านจะทําให้พี่น้องรัษฎรคนที่ทุกข์ยากอื่นๆต่อไปนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะที่สองก็คือรู้จักทํากิจของท่านการทำกิจในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวแต่ว่ามอบหมายหน้าที่อะไรให้ทํำก็ทำหลายๆคนเนี่ยก็รับเอาพระราชดำริเนี่ยมาปฏิบัติอย่างเต็มที่ เรกว่าเออคุณทําหน้าที่ของลูกอย่างดีละทำกิจของท่านม อ, อบหมายงานนี้ให้ทำเราก็ไปทําอบหมายว่าอย่าทะเลาะกาันให้เป็นคนสามากกัคคีกันคนก็มีค่อยๆมีความสามากกัคคีกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วก็รู้จักดํารงวงศุลนี้คือข้อที่3รู้จักดํารงวงศุลเนี่ยคือรักษาชื่อเสียงของวงตระกู ล, ลในข้อนี้คือรักษาความเป็นไทยความเป็นคนไท ย, ยแล้วอันที่สี่ คือคนไทยอย่างคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามัคคีมาตั้งแต่เดิมแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายเป็นคนที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่า ง, ง่ายในการความเป็นอยู่ใช่ไหมมีน้ำใจยิ้มแย้มแจม่มใสนี่ลักษณะของคนไทยแล้วก็นำรงวงสกุลอย่างนี้จุกค่ะอันที่4ี่ก็คือรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทนะเป็นทายาท ต, ต, ต่อวงตระกูลนี้นะความปฏิบัติตนเป็นทายาทเนี่ย ก็คือรักษาชื่อเสียงด้วยนะแล้วก็ไม่ให้ชื่อเสียงของเราต้องเสื่อมเสียไปนั่นะคือรักษาความเป็นไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมบัติเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเกียรติยศแะไรต่างๆเราก็รักษาไว้แล้วก็อันดับสุดท้ายหนะ้าที่ของลูกก็คือเมื่อท่านทํากาละล่วงลับไปก็จะทําทักษิณาทานอุทิศแด่ท่านเหนะมืนอนย่งบุรพกษัตริย์ในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นรัชการไหนๆก็จะมีวันที่เขาจะทําบุญอุทิศถวาย แกพระมหากษัตริย์องค์นั้นๆในอดีตนั่นก็เป็นหน้าที่ของบุตรที่ดีที่ควรทำ น, น, นี่คือเรื่องของอความเป็นพ่ออืทีนี้ถ้าพ่อลูกคู่ไห น, นพ่อลูกคู่ไหนก็แล้วแต่ทําหน้าที่นี้ดีแล้วเนี่ยทิศนั้นชื่อว่าเป็นทิศเกษไม่มีภัยเกิดขึ้ น, นเราจะไม่เป็นภัยซึ่งกันและกันพ่อก็จะดูแลลูกอย่างดีลูกก็จะดูแลพ่ออย่างดีโลกเราจะหมุนไปได้ชาติเราจะหมุนไปได้เป็นชาติที่เรียกว่ามีความรักความสามัคคีกัน คือถ้าเราไม่รักษาหน้าที่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นกุตืแนใจผู้เช่าพูดถึงความเป็นภัยนะมาจากสิ่งนั้นเ่นมาถ้าเราไม่ทําหน้าที่เนี่ยจะเกิดภัยขึ้นระหว่างพ่อลูกเราเห็นหลายๆครั้งนะพ่อฟ้องลูกลูกฟ้องพ่อในคดีความอะไรต่างๆมากมายในในศาลก็มี <Okay. S 1> นั้นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รักษาทิศของตัวเองเขาไม่ได้รักษาหน้าที่เหล่านี้ทําให้เกิดเป็นภัยขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกนะประสงค์นิกรชาวไทยเนี่ยคุณก็ทําหน้าที่อย่างนี้ เนี่ยเพราะว่าในหลวงของเราก็ทําหน้าที่ของท่านแล้วหถูกไหมอือย่างดีเยี่ยมด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใโดยเสมอมาเจ้าค่ะและ้วทีนี้ในเรื่องของความเป็นกรรษัตริย์ที่ประเด็นที่สองที่คุณเตือนใจได้พูดมาตอนแรกเจ้าค่ะนะว่าในหลวงของเราเป็นกรรษัตริย์อย่างไรอันนี้ก็ต้องพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในตอนสมัยพุทธกาลนะมีพระสูตรหนึ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงความเป็นกษัตริย์อยู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องของทศพิธราชธรรมเนี่ยเป็นที่พุทธวจนะเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตรงตัวนะว่าเออทศพิธราชธรรมเป็นคุณธรรมของกษัตริย์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่โดยพุทธวจนะเนี่ยพูดถึงคุณธรรมอันหนึ่งที่เรียกอยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าจักรวัติวัตนะเข้าคือข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ นะข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอยู่3ข้อนะคือมี3าข้อนี่คือในยะที่1ก่อนนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าพระองค์เองเนี่ยนะเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่เรียกว่าเป็นร้อยร้ยครั้งคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ธรรมดามากคุณเดินใจนะึกเข้าไหมกษัตริย์ธรรมดานี่คือปกครองแค่ประเทศไทยอย่างเป็นต้นนะนะ <Okay. S 2> ถ้ไปปกครองประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ยอม แต่ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือปกครองทั่วโลกทั่วโลกมีกษัตริย์องค์เดียวเนาะเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะทําให้เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้เนี่ยแน่นอนเลยว่าจะทําให้เราเป็นกษัตริย์ได้แน่นอนนะระบุญเจ้าพูดถึงสามอย่างคือเรื่องของทานมีการให้การบริจาคเรื่องของอความข่มบังคับใจแล้วอย่างที่สามคือความสํารวมระวังนะสามอย่างนี้จะทําให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ง่ายไหมใช่ค่ะ ฟังเหมือนง่ายนะเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วทาได้ยากอะเจ้าค่ะมีทานการข่มบังคับใจและการสํารวมระวังเอาแค่ข่มบังคับใจเนี่ยนะคุณเตือนใจเอาว่ามีคนพูดไม่ดีกับเรามีคนเอาชื่อเราไปทํำปุยยี่ปุยําเราต้องไม่โกรธนะเราเราจะต้องข่มบังคับใจของเราเนื่องจาะว่าความเป็นกษัตริย์เนี่ยจะมีอํานาจมากเพราะฉะถ้าเราทําอะไรพลาดพลั้งไปอาจจะทําให้มีการเสียเลือดเนื้อได้ ดังนั้นจะต้องมีการข่มบังคับใจเหมือน ต, ติดเบรกให้รถอะ่ะรถยนต์จะดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีเบรกนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะไม่มีใครกล้าขึ้นเลยจุคาไม่ว่าจะเป็นรถเร็วขนาดไหนรถใหญ่ขนาดไหนก็ต้องมีเบรกเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเบรกตรงนี้แหละคือการข่มบังคับใจนะโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจมากๆเนี่ยยิ่งต้องมีการข่มบังคับใจอย่าง ด, ดีเยี่ยมเลยทีเดียวยิ่งรถเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะการเบรกนีย้ยิ่งต้องดีขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ เจ้าค่ะต้องยิ่งระวังนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะทีนี้สามเรื่องเนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าคเคยตรัสไวในยะาหนึ่งในในยะที่สองที่ได้พูดถึงในเรื่องของข้อปฏิบัติของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็มีเรื่องที่พระองค์เล่ามาแต่ว่าพูดถึงจักรแก้วนะจักรแก้วอย่างราชวงศ์จั ก, กรีของเราใช่มเจ้ า, าที่เขาตั้งชื่อว่าราชวงศ์จั ก, กรีเนี่ยก็จริงๆเอามาจากในพระไตรปิฎกนะเป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าว่าใครก็ตามนะ จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้เนี่ยคุณต้องมีจกกัจกแก้วนะจักแก้วจักแก้วเนี่ยเป็นจกักรวิเศษที่จะสามารถทําให้ปกครองดินแดนจนกระทั่งถึงขนายขยายดินแดนไปจนถึงมหาสมุทรทั้งสด้านเลยนะคือด้านตะวันออกก็ติดมหาสมุทรด้านตะวันออกด้านตะวันตกก็ติดมหาสมุทรด้านตะวันตกไปเรื่อยเลยนะคือความยิ่งใหญ่ระดับนั้นเนี่ยคุณต้องมีอาวุธที่เรียกว่าจักแก้วจักแก้วเนี่ย จ, จริงๆเป็นอาวุธนะที่ ก็คือคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นเนี่ยคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีอาวุธหนึ่งที่ชื่อว่าจักแกวนะ้วซึ่งจะทําให้พระองค์เนี่ยส า, า ส, สามารถขยายดินแดนไปได้จรดมาสมุด ท, ทั้งสีด้านซึ่งจักแก้วเป็นอาวุธที่คือคุณธรรมไม่ใช่เป็นอาวุธที่มีของมีคมอะไรแต่เป็นคุณธรรมที่พระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นเนี่ยมนะีในการที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยมาเคารพนอบน้อมทําให้คนอื่นมาเชื่อฟังทําให้คนอื่นมาอยู่อาศัยด้วยคุณธรรมตรงนี้ ทีนี้คุณธรรมตรงนี้เนี่ยคืออะไรพรนะพุทธเจ้าก็อธิบายไว้ในรายละเอียดอย่างนี้ว่าถ้ากษัตริย์องค์ไหนเนี่ยนะเป็นผู้ที่อาศัยธรรมนะคือมี3ส่วนนะส่วนที่1ส่วนที่สส่วนที่3ส่วนที่1เนี่ยมีทั้งหมด10ข้อซึ่งมันจะไปตรงกับโทศพิดอาชธรรมคือคือไม่ได้ตรงเป๊ะทีเดียวนะคือส่วนที่1นเนี่ยพูดถึงการอาศัยธรรมนะสสักการธรม 3, รม3เคารพทาความเคารพธรรมะสนับถือธรรมะ หบูชาธรรมะหกยำเกรงธรรมะ7มีธรรมะเป็นธงชัย8มีธรรมะเป็นยอด9มีธรรมะเป็นใหญ่แล้วก็สิเนี่ยมีจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมะนั้นสิอย่างเนี้ยเป็นส่วนที่1ของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งทําให้อัตถกาถาจารย์รุ่นหลังเนี่ยท่านแปลออกมาในขยับคำว่าเอ า, าแลัก า, ก, าาาแลกาณะธรรมคืออะไรท่านก็เลยรวบรวมเรียกเรียใหม่ออกมาเป็นทศพิรากจะต่ ก้าใจะอ่าซึ่งจริงๆแล้วโดยพระวจนะเนี่ยพูดถึงตรงนี้ก็คืออาศัยธรรมะนั่นเองเป็นธรรมราชาปกครองเป็นดินโดยธรรมใช้ธรรมะเป็นเกณฑ์ในการวัดอาศัยธรรมสการธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นเครื่องวัดมีธรรมเป็นใหญ่อันนี้คือเป็นหนึ่งในคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดินะจุค่ะรักษาเนี่ยคุ้มครองธรรมะเนี่ยในใครบ้างในทั้งชนภายในภายนอกในหมู่พลในกษัตริย์ ในในพราหมณ์ในขรรดาดีชาวบ้านทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าสัตว์เนื้อและนกเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองอันเป็นธรรมะนี่อย่างนี้นะแล้วก็สร้างเหตุในการที่จะไม่ให้มีอาธรรมนนในวันแคว้นของพระองค์เลยอันนี้คือส่วนที่1นึ่งคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่พระเจ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในคุณเตนใจเพราะมันมีเหตุคือพระเจ้าเคยเล่าถึงตัวพระองค์เองที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไม้มเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์แรก ที่เริ่มเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะนะแล้วก็มีลูกลูกเนี่ยก็มันเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อแล้วลูกของลูกก็คือหลานเนี่ยก็ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อเป็นไปอย่างนานมากเลยจนสมัยเหลนหล่นจนกระทั่งปรากฏว่าพอจักรแก้วเริ่มหายไปณจักรแก้วเริ่มหายไปเนี่ยพระเจ้าจากาักรพรรดิองค์นั้นก็เป็นเดียดเป็นร้อนว่าเอ๊ะทำไมจักรแก้วของฉันหายไปแล้วก็จึงไปขอคําแนะนําจากสมณพราหม์รูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นพ่อของตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์ก่อนที่ตอนเนี้คือ สละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชแต่พระเจ้าจักรพรรดิ ท, ที่สละราชสมบัติไปบวชแล้วก็ให้ลูกตัวเองขึ้นครองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทแทนเนี่ยก็ให้คําแนะนํากับพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใหม่นี้นะว่าเอาที่จักแก้วหายไปนี่จักแก้วมันเป็นของเขาเองนะเราไปบังคับเขาอยู่เข้าไปไม่ได้หรอกแต่นะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือคุณธรรมตรงนี้นะก็จึงพูดถึง10อย่างนี้ขึ้นมาส่วนที่1นึนะที่ว่าให้อาศัยธรรมสั ก, การะธรรมมีความเคารพธรรมยำเกรงธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่รักษาคุ้มครองในธรรม พูง่าย ง, ายงายคือเป็นธรรมราชาว่างั้นเถอะใช่ค่ะให้มีธรร ม, มะอยู่ในตัวทุกอนูของตัวเลยมีแต่ธรร ม, มะหมดอย่างนี้นี่คือส่วนที่1ส่วนที่สองเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นที่จักแก้วหายไปเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําอย่างที่สองว่าบุคคลใดในบ้น่นแควเนี่ยที่ไม่มีทรัพย์นะพึงให้ทรัพย์กับบุคคลเหล่านั้นนะคือมีการให้การบริจาคนะแล้วก็ส่วนที่สมเนี่ยแล้วก็ถ้าในส่วนที่สมคือมีพระสงฆ์รูปใดหรือสมณพราหมณ์เหล่าใดเนี่ย ที่มีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอยู่ในความสงบส ง, งียมมีความอดทนนะฝึกตนอยู่แต่ผู้เดียวยให้เข้าไปถามสมณพราหมณ์เหล่านั้นนะว่ า, ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรทำกรรมอย่างไดจึงจะดีทํากรรมอย่างไรจึงจะไม่ดีทำกรรมอย่างไรจึงจะเป็นสุขทำกรรมอย่างไรจึงจะเป็นทุกขนะ์พอสอบถามแล้วก็เอามาปฏิบัติตรงนี้จะทําให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ซึ่งนี้เราเห็นชัดเจนนะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ย พระองค์ก็เป็นธรรมราชาถูกไหมคุณเตือนใ จ, จมีธรรมอาศัยธรรมเป็นผู้มีศีลแล้วเราก็ทราบว่าพระองค์ก็นั่งสมาธิด้วยเหมือนกันเพดั ะ, ะนั้นทำกระเลงทำบูชาธรรมแตตรงนี้แสดงว่าพระองค์ได้ปฏิบัติเหมือนกันแล้วเราก็มีการไปหาพระสงฆ์ใ น, นต่างๆที่มีคันติโสระจะมีความอดทนมีความสงบส ง, งีวยมเป็นผู้ฝึกตนอยู่ผู้เดีย ว, วเราเห็นรูปถ่ายที่ในหลวงไปคุยธรรมะกับครูบาอาจารย์อื่นๆ มีสมเด็จสังฆราชเป็นต้นมีหลวงตามหาบัวเป็นต้นหลวงปู่ปแวนหลวงปู<ช>่แวนพวกนี้เนาะ<ช>ซึ่งพระองค์ก็เข้าหาสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราบ่งบอกได้เลยว่าโอ้พร ะ, ะ, ะในหลวงของเราเนี่ยมีคุณธรรมของความที่จะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิได้เป็นกษัตริย์ที่ดีได้ลักษณะนี้ชุก<ช>ค่ะซึ่ ง, ซ, งซึ่งในเรื่องของกษัตริย์เนี่ย ในความเป็นกษัตริย์เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลคืออาตมาต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่างชีวิตของเราในประเทศไทยอย่างนี้นะเรามาฟังวิทยุได้เดีวตื่นเช้าวันไหนเราก็ไปทํางานนะเสร็จแล้วเราก็มีลูกมีซื้ออยู่ซื้อกินไปไปตลาดแล้วก็ซื้อขนมมากินได้ชีวิตของเรามีความสุขในระดับหนึ่งนะเราลองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเราในชีวิตของคนในประเทศแอฟริกาแถวแอฟริกายา เดือนหเอ่อาอาทิตย์1นึ่เขากินข้าวแค่สองครั้งมไม่ต้องพ<ม>ูดถึงวันละสามมือนะคุณเตนใจสมมือนี่ไม่มีอาทิตย์หนึ่งยังไม่พอสามมือเลยแค่2มือเท่านั้นเองเราก็ยังไปดูประเทศที่มีสงครามสินะผู้นําเขาพาชาติเข้าสู่สงครามรบร้างปาหัดประ ห, หารนะลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องจับอาวุธขึ้นมาสู้กันฆ่ากันนะเพราะว่าความที่ผู้นําประเทศเนี่ยมีใจเบียดเบียนนั้นะในขณะที่ประเทศเราไม่เป็นอย่างนั้น นะมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกคนมีคนส่วนใหญ่เป็นคนมีใจอบอ้่นมารีนะเรานั่งอยู่ในที่บ้านไม่มีใครมาเคาะประตูเรียกมาขาโมยของมารุมรันฆ่ารันฟันแทงนะมีก็มีก็ไม่มากซึ่งเราทำให้เร า, าพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันได้รับการคุ้มครองรักษานะคือด้วยระบบของการเมืองการปกครองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะ้นเราจะเป็นอยู่เป็นสุขหรือไม่เป็นสุขเนี่ยในระดับที่1คือที่เราเคยพูดถึงเรื่องของที่ทั้ง6นี่คือระดับที่วงกลมและวงเล็กที่เราจะต้องคอยรักษาดูแลใช่ไหมในระดับที่ใหญ่ขึ้นไปในคนที่เป็นชนชั้นปกครองนะมีตั้งแต่กษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยบุคคลระดับนั้นจะต้องคอยคุ้มครองรักษาในวงกลมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะซึ่งถ้าท่านเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยมีธรรมะเป็นมีธรรมะเป็นธรรม มีธรรมะเป็นธงชยัยมีธรรมะเป็นยอดเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะจัดการคุ้มครองรักษาอันเป็นธรรมะได้ใช่ไหมทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยจึงให้ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยในการที่ช่วยชาติด้วยทรัพนยะ์ใดที่เราได้มาเนี่ยคุณจะต้องมีแบ่งปันไว้ส่วนหนึ่งคือส่วนที่3เนี่ยในการที่จะแบ่งปันเพื่อช่วยช่วยชาติเป็นชาติทตรี ในกรณีนี้ก็คือว่าเป็นการให้การบริจาคอุทิศเพื่อโครงการต่างๆของชาติอย่างคนประสบอุทกภัยเนี่ยเราก็อุทิศทรัพย์ส่วนนี้เหมือนที่เรากันเอาไว้ในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยการช่วยชาติบาง น, นเดอะจุกค่ะเพราะฉะนั้นพอพอเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยสังคมมันถึงจะไปได้เป็นการที่กระตันยุกระตัเวทีคือรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคือธรรมะสองอย่างคุณเดินใจที่จะทําให้โลกหมุนไปได้เนี่ยนะคือ ความที่มีอุปการะกับผู้อื่นก่อนคือบุปการีแล้วก็การที่กระตันยุกระตะเวทีคือรู้กุลแล้วก็ตอบแทนเหมือนอย่างเวลาเราขับจักรยานอย่างเงี้ยขับจักรยานเนี่ยทำไมจักรยานเวลามันยืนอยู่เฉยเนี่ยนะมันไม่หมุนไปข้างหน้าเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้คุณเตืนใจรู้ไหมมันต้องอลงเพราะว่าความที่มันไม่หมุนความที่มันไม่มีแรงม า, มาด้านข้างเขาเรียกว่าหลักวิาศาสวะเขาเรียกว่าโมเ ม, มนตัมแล้วก็เรียกว่าทอร์กที่เกิดจากการที่อล้อเนี่ยมันหมุนไป แต่เพราะว่าล้อมันหมุนไปนันจะเป็นข้างหน้าก็ตามข้างหลังก็ตามจักรยานจึงทรงตัวอยู่ได้เหมือนการโลกของเราเนี่ยยังทรงอยู่ความเป็นโลกนี้ได้นะเพราะว่ามีการอุปการะกันมีการตอบแทนกันมีการอุปการะกันมีการตอบแทนกันโลกจึงอยู่ได้เจ้าค่ะตลาดหุ้นมันขึ้นได้เนี่ยก็เพราะามีคนซืนน้อคนขายการซื้อการขายนี่แหละเป็นแรงที่จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยไปได้โตไปได้อันนี้ พ, พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนิดนึดนนงถ้าเราพูดถึงระดับจิตใจ นะก็คือความอุปการะคนอื่นก่อนแล้วก็การรู้จักตอบแทน2 อ, อย่างนี้จะทําให้โลกเนี่ยหมุนไปได้เพราะฉะนั้นในกรณีนีนะ้ในหลวงมีบุญคุณกับเราในการรักษาชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยร่านาะนิคมนะตั้งเป็นราชวงศ์จั ก, กรีทําให้เรามีชีวิตอยู่ความเป็นสุขอย่างนี้โอ้โหนี่เป็นการอุปการะบุะคคลอื่นก่อนนะเราต้องเป็นผู้ตอบแทนนะมันถึงจะหมุนไปได้เราถึงจะอยู่เป็นโลกได้เป็นประเทศได้เป็นชาติได้ลักษณะนี้ทีนี้ว่าความเป็นประชา้าจักรพรรดิตรงนี้ ใครๆก็เป็นได้นะคุณเตนใจคือหมายความว่าถ้าคุณสร้างเหตุให้ถูกเนี่ยเราเป็นได้หรืออย่างแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนีนเราก็เป็นได้ถ้าเราสร้างเหตุให้ถูกเพราะนั้นเราก็สร้างเหตุในหน้าที่ของเราให้ถูกเราเป็นประสงนิกรในชาติใช่ไหมเราทําหน้าที่ของเราในการที่ตอบแทนในการที่รู้คุณในการรักษาโดยการตอบแทนด้วยความเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติบูบชาบูชาท่านด้วยการกรลบธทําน้ําตือธรรมกรลบธรรมะน้ําตือธรรมะปฏิบัติธรรมะ นะแล้วเราก็จะทำให้โลกของเราประเทศชาติของเราเนี่ยหมุนไปได้ยังยึดเหนียวโยงใยกันอยู่ได้ด้วยความเป็นเอกภาพตรงนี้เจ้าค่ะในสุดท้ายนี้เดือนคิดว่าธรรมะฝั่งทางบ้านที่ได้รราฟังพระอาจารย์ไพบูณ์อภิปุโนซึ่งท่านได้เมตตามาสาธะหรือพูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหรือความเป็นกริย์และความเป็นพ่อนั้นคงจะเห็นนะคะว่าโดยสรุปภาพรวมแล้ว เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีบุญที่จะเกิดมาพาใต้ร่วมพระบรมรโพธิสมบาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชองคปัจจุบันซึ่งท่านได้ทรงมีพระเมตตาต่อประสบมิกรชาวไทยเราโดยเสมอมานะคะก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะค ะ, ะได้ร่วมกันน้อมจิตทําแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในวโร ก, กาสมหามงคล เฉลิมพระชมพันษา7รอบ8 4พระชนษาซึ่งจะมาเวียนมาครบปันจบในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโก็จะได้เมตตาที่จะได้นำหยิบยกธรรมะแล้วก็ได้พูดคุยจึงโพรงท่านด้วยใช่ไหมเจ้าคะ <S <S พระอาจารย์เกนนิดนิดนึงได้ไหมเจ้าคะเผื่อว่า ได้ให้ท่านผู้ฟังทราบว่าพรุ่งนี้เช้าซึ่งเป็นเช้าวันเฉลิมพระชมนมพรรษานั้นพระอาจารย์จะจะนำเรื่องอะไรมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังในรายการนี้เจ้าค่ะพระนําสูตรที่เรียกว่าจักรวติวัตเนี่ยจักรวติวัตติสูตรเนี่ยคือคุณธรรมของความเป็นพระเจ้าจักรวรรเนี่ยมาอธิบายในรายละเอียดนะแล้วก็พูดถึงเล่าเรื่องในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพูดถึงความเป็นกษัตริย์เนี่ยของพระองค์ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็น่ า, าสนใจนะน่าสนใจมาก แล้วเราก็จะได้ร่วมกันถวายพระพรแด่พระองค์ท่านด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังขารายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันที่สี่ธันวาคมนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอยากจะข อ, อะนำท่านผู้ฟังทางบ้าน ท, ทุกท่านได้กราบน้ำพรสการ ขอพระคุณพระอาจารย์ไปบุ่นอภิปุโนโซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกแลวก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมือขวาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตพาโซค่ะและในเช้าวันนี้คิดว่าท่ามนุษย์ทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของ พระเ อ, อกพระคุณหลวงพ่อดรสะอาทิโทภโสนั้นก็ร่วมกันนะคะได้แสดงมุทิตาจิตต่ อ, อหลวงพ่อด้วยการที่จะไปทําบุญที่วัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะในโอกาสที่วันนี้ก็เป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อดออรสะอาทิโทภโสนะคะส่วนท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ก็อย่างที่พระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนได้มีตาสากัจฉามมาแล้วว่าเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม น้อมจิตไปที่จ ะ, ะนึกถึงหลวงพ่อดรสะอาดทิทุพสูนะคะอันนั้นก็ถือว่าเราปฏบิบัติบูชาหรือว่าได้บูชาท่านแล้วตามคําที่ท่านได้อสอนหรือว่าได้แนะนําชี่แนะเราทางด้านธรรมะนะคะ <c oughs> ข้าก็ขอนำทพกฝั่งทางบ้านนะคะกราบน้ำพรสการขอพระคุณและกราบน้ำสการลาพระอาจาร ย, ย์พบูลอภิปุโ น, โนเพียงแค่นี้เราจนกว่าจะพบกันใหม่ในสาวอาธิตย์หน้านะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เช้าก็ ขอเชิญท่านรับฟังพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยคะ่ะกลับนัสการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าข า, เ, า, ขาเชิญบานสาธุเจ้าค่ะ